บทภาชณีติกาภาจิตตี877อุปสัมบันภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันสาบแช่งด้วยนรกหรือด้วยพรหมจันทร์ต้องอบัติภาจิตตีอุปสมบันภิกษุณีไม่แน่ใจสาบแช่งด้วยนรกหรือด้วยพรหมจันทร์ต้องอบัติภาจิตีอุปสัมบันภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบัน สับแช่งด้วยนรกหรือด้วยพรหมจันทร์ต้องอภัตตาจิตตีทุกกฎภิกษุณีสาบแช่งด้วยคำที่บ่งถึงกำเนิดสติระชาญเพลพิสัยหรือคนโชคร้ายต้องอบัตทุกกฎภิกษุณีสาบแช่งอนุปสมบันต้องอบัตทุกกฎอนุปสัมบันิภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอบัตทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎ อนุปสัสมบัธ์พิกิณนีสำคัญว่าเป็นอนุปสัสมบัธ์ต้องอบัตตกด